ข้อความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลุงประภวทิยานได้นำเสนอกรรมประพันธ์สันเสริมพระพุทธคุณมาตามลำดับแต่เนื่องจากเนยยของข้อความแต่ละตอนกค่อนข้างวิจิตพิสดารก็เลยใช้เวลามากไปหน่อย ในข้อที่ท่านใช้คำว่าชี้ทางันรทอทุกแะชี้สุขเกษมสารนั้นเรากาลังประรบถึงทางที่ส่งชี้ทางแห่งความสุขเป็นแลนี้เรากาลังประรบเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าพออยู่พอกินหรือพอมีพอกินกันแต่ถ้าเราจะถามว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไร เพื่อจะได้คําตอบว่าทรงแสดงความสุขของผู้ครองเรือนระดับพื้นฐานเอาไว้ว่ามันเกิดจากเหตุ4ประการด้วยกันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ได้และอสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ไม่ได้ 2. ความสุขที่เกิดขึ้นจากการสามารถซื้อหาจับจ่ายใชยส้ชสอยใช้สอย เพื่อตอบสนองความต้องการของตนในลักษณะที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปประการที่สามนั้นสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราเมื่อก่อนสังคมไทนั้นจะพูดเรื่องรายได้ไม่สําคัญแต่กับรายเหลือ แล้วก็ตำหนิทุง่งจริปตั้งการเป็นหนี้เป็นศินการต่อสู้กันในคดีความกัพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้เป็นศินบุคคลอื่นโดยเชื่อมั่นในประวัติธรรัฐที่สแสดงว่าการเป็นหนี้เป็นศินนั้นเป็นทุกข์ในโลกแต่ในการต่อมาเนื่องจากเราไปรับความคิดมาจากฝรัง่งโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานี่มากเกินเหตุเกินผลไป และในที่สุดก็เหมือนกับอนาณิคมทางจิตวิญญาณที่ถูกล่าเราคิดอย่างที่เขาคิดเราทําอย่างที่เขาทำเราก็พูดอย่างที่เขาพูดทั้งๆที่โดยพื้นฐานในด้านต่างๆนั้นเราไม่ทัดเทียมกันและในที่สุดก็เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นหนี้สินระดับประเทศ แล้วเมื่อไรจะแก้ได้เนี่ยไม่มีใครตอบได้ก็พูดกันถึงลูกไทยหล้านไทยเกิดขึ้นมาแล้วก็เจอหนี้สินทันทีคิดเป็นรายหัวคนหนึ่งก็หลายหมื่นนัน่นก็แสดงเห็นว่าความคิดที่มันย้อนกลับไปสู่ความสะดวกสบายความง่ายๆ การกู้นิยมสินบุคคลอื่นเนี่ยที่จริงถ้าเรามีเครดิตแล้วก็เชื่อก็เชื่อไปเชื่อง่ายแต่าบางครั้งบางคราเรานำไปดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีรายได้คืนกลับมาแล้วก็มีปัญหาในการใช้ดอกผลให้แก่เขาตลอดถึงทุนแล้วเลิกพูดกันปัญหาเหล่านี้ก็ทับต้อวีกันไปเรื่อย แต่ความพิดมันก็อยู่ในรอยเดิมนะครับคือพยายามกู้หนี้ให้มากมากแต่ว่าใช้หนี้ได้น้อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งมันไปนําไปหาความสะดวกสบายแก่ตัวเองคือผประโยชตัวเองปจุจจาจึ ง, งสอนว่าการเปนหนี้เป็นสินเป็นทุกข์ในโลกแล้วก็ถือว่าความสุขของคนเรานั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิลคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นนีงเงินทองหรือว่าหนี้บุญคุณรวนแล้วแต่ทำให้เราไม่สบายแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสง่าราศีคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคุณึ่งประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องเป็นความสุขซึ่งเกิดขึ้นมาจากการตัางานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทุกำลำดับขั้นตอนของการได้มาต้องทรัพย์สินเงินทองต่าง ทา้งในชั้นของการสแสวงหาทั้งในชั้นของการได้มาทั้งในชั้นของการครอบครองทั้นในการบริโภคใช้สอยก็จะต้องไม่มีปัญหาที่สร้างความไม่สบายใจเดือดร้อนใจหรือเรียกเรียกว่าวิปฏิสานคือวิตกขังวนเนี่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุคือเจ้าก็ทรงแสดงเหตุ เลนนั้นถ้าเรามองใล้ๆจะน้อยไปแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วในช่วงของการบริโภคใช้สอยสัพ์สมบัตินี่มันก็มีหลักการอย่างหนึ่งที่สมเน้นเอาไว้ว่าของหายไปก็ให้พยายามหาให้กลับคืนมาของเก่าพอซ่อมแซมพอบูรณะเอาเราถึงปรับเปลี่ยนใช้ก็พยายามทำ ซึ่งมันเป็นการเพิ่มทางรายได้แล้วก็ประหยัดทางรายจ่ายและคนที่เป็นวัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ต้องจับประมาณความเหมาะความควรในการิโพกใช้สอยทรัพย์สมบัติถึงแต่ละอย่างนั้นก็ไปสอดรับกับเศรษ ฐ, ฐกิจพอเพียงหรือพออยู่พอกินหรือไีอยู่มีกินแม้แต่จะ มีสถานะบางครั้งตำรลดมากยิ่งขึ้นหรือห้องอยู่ในกรอบตรงนี้แหละแต่นั่นก็คือการบริหารทรัพย์ในกรณีที่ได้มาแล้วแต่ว่าทรัพย์ที่ยังไม่ได้ทำอย่างไรก็ทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเหตุผลต่างๆที่เป็นกระบวนต่อเนื่องมีกรรมารีที่ทรงใช้เป็นหลัก ก็คือจักขุมาวิทุโรนิสเสสัมปันโนจักขุมาก็คือมีดวงตามีวิจารกลางไกลมองไปข้างหน้าจะประกอบอาชีพอะไรจะลงทุนเรื่องอะไรจะเข้าหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องมองเห็นผลซึ่งจะย้อนกลับม า, าจุดอ่อนของคนเหล่านั้นคือถูกยั่วหอยากแล้วนี่จะลืหมองเหตุผลตรงนั้น แล้วตั้งหลายคงนึกถึงในกระดีแช่น้ำมันเมื่อก็นานปฐมขวรนี่ะ น, นะอาตมาไปได้ยินเขาคุยกันที่จังหวัดลบบุรีไป บ, ญญบรรยายรวมในที่หนึ่งในภาคเช้าแล้วก็ก็จัดอาหารเพจถวายในขณะที่นั่งฉันเพจเนี่ยความก็คุยแต่เราฟังแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือรู้สึกมันหนุนไม่ค่อยออกเลยก็สอบถามให้เขาสรุปไปฟัง ก็สรุปว่ามีการจองหุ้นน้ำมันหนึ่งล้อบางสองล้อบางสี่ล้อบางหนึคันรถบางอะไรต่างๆนี่คิดออกมาเป็นจำนวนเงินแล้วก็มีการปันผลจากการซื้อหุ้นเหล่านั้นตัวผลรู้สึกมากเกินเหีุเกินผลไปพอสอบถามว่าน้ำมันดิบมีซื้อที่ไหน แล้วใช้เรือจากบริษัทอะไรบรรทุกน้ำมันดิบแล้วไปกลั่นที่ประเทศไหนกลั่นแล้วเก็บที่ไหนเก็บแล้วเนี่ยปั๊มที่ขายน้ำมันเนี่ยขายตรงไห น, นมองไม่เห็นเลยสักแห่งเดียวบอกเอ๋ถ้าอย่างนั้นรู้สึกถูกต้มนะเนี่ยมันต้อง น, นึกให้เห็นทางระบบของมันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่ว่ามองเฉพาะที่เราเห็น เพราะสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเรานั้นไม่มีอะไรปรากฏได้หม ด, ดนะเราจะต้องมีข้อมูลในด้านการศึกษาสําเร็จเรียนรู้คล้ายๆกระเล่นงูตัวหนึ่งมันไม่มีใครเห็นทุกส่วนของงูตรงนั้นแต่เราก็ใช้ประสบการณ์ของเราสามารถอนุมานโดยการมองจากหัวแล้วก็มองถึงความยาวในส่วนตัวของงูและขนาดของงูได้ ถามวันตงนั้นเราเห็นไหมที่จริงเราไม่เห็นแต่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพบเห็นสัตว์ประเภทนี้ซ้าๆซากๆหลายครั้งหลายคนก็ทาให้เกิดอนุมานเทียบเคียงสันนิษฐานซึ่งโอกาสที่จะผิดนั้นมีบวกลบไม่มากเท่าไหร่แต่นั่นก็คือการแสดงถึงมีประสบการณ์ที่มาก ถ้าประสบการณ์เรามีไม่มากพอมันก็ตัดสินนิดนิใจได้ไดยากประการต่อไปคือมีความเฉลียวฉลาดในการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราอยู่ในยุคของข้อมูลขาวสารในเรียกว่าสารสนเทศเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะาคนคนใครก็ตามนะถูกยั่วให้อยากกับถูกยั่วให้ยให้โกรธ แล้วจะเสียสูนทุกทีสมมุติวใครลากปัญหามาให้ชดเราบอกคนนั้นด่าคุณอย่างนั้นนินทาคุณอย่างนั้นไปทำหนีคนอย่างนั้นไปใส่ร้ายคุณอย่างนั้นเย่างนั้นโกรทันทีเลยหรือว่าล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆแล้วจะเครื่อนเคลื่หลงไหลมองเฉพาะด้านเดียวคือด้านที่ตัวเองจะได้แต่ถูกต้มถูกหลอกถูกลวง ได้ง่ายบางครั้งบางคราวเป็นการใช้วิธีทรมาิเขาเรียกว่าศรธระมาฏดูหมิน่นท้าทายให้เกิดการยิงพยองที่จะต่อสู้ที่จะพิสูจน์ทดสอบตัวเองอตัวอย่างง่ายๆจะเรื่องรามเกียรติเนี่ยเล่าเช่นว่ากุญประกันใช้วิธีท้าทายให้สุชีพสุครีพพิสูจน์ พลังกันมหาศาลของเขาว่าสามารถถอนต้นหลังได้จริงเหรอสุครีตไม่ได้เฉลียวใจเลยก็ขอให้ถอนดูสักต้นพ็ถอนได้สามต้นไนะถอนต้นหลังสามต้นก็หมดแรงแนะแล้วคุณกุมภกันก็จับอีกกักกระแร่ไปขังไว้ในโรงตาดได้ตนนัวนี้จริงมันเป็นการสอนให้เห็นว่ามนุษย์นี่มันมีจุดอ่อนแอของมนุษย์เอง ในกรณีที่ถูกยั่วยุยว ย, ยวนและกระตุ้นเรื่องร้าวท้าทายด้วยประการต่างๆจะเกิดอ่อนไหวปัญญาจะต้องเข้าไปมีข้อสวดสอบตรงงานให้มีความชัดเจนเป็นเรื่องที่น่าขอดูต้งซื้อพิมพ์ขสารลงข่าวเขาด้วยแล้วออกทางสื่อสารมวลชนด้วย สหัสสวัสติ์ที่สมแห่งพระรัตนตรัยหมายความมาเริ่มต้นปีที่สามพันของการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาเราผ่านปีที่สามพันมาเนี่ยนะมันนานทุกคนแล้วแบบตั้งต้นอยุทยาแหละคือเราลองนึกดูสิว่ากรุงอยุทยาก็ตั้งเมื่อพศสองพันกว่ากว่าเท่านั้นเอง พัน ก, กว่านะพันเกือบสองพันแล้วก็แสดงว่าตอนต้นๆ้นอยุธยารัต น, นโกศิลป์เพิ่งผ่านมาแค่สองร้อยยี่สิบแปดปีเท่านั้นเองเอาปีที่สองรอยยี่สิบเก้านะสนะองพันันึ่ร้ยสามหนึ่กับสองรอยิบเก้าเราจะเห็นว่าธนบุรีเขาก็สิบกสิบเจ็ดปีตอนนั้นก็เป็นอยุธยาแล้วลองบวกๆขึ้นไปดูนะฮะก็ออยังไม่ได้ดูอปฏิทินว่ามันตกในรัชสมัยไหน แต่นี่คือแสดงให้เห็นว่าคนไม่ค่อยใช้ความคิดเรลบฟังข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะถ้าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาจากคนที่ตัวเองเคารพตัวเองศรัทธาตัวเองรักตัวเองนับถือหรือเราไม่รู้จักเขาเลย <c oughs> เช่นในก็มีข่าวลือต่างๆให้ลองสังเกตที่จริงเราไม่รู้เลยว่าที่มาของข่าวนั้นคือใคร เธอส่วนมากคนจะอ่อนไหวไปเชื่อถือตัวขับหรือรถนั้นนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่มีอยู่ภายในจิตใจของมนุษยชาติดังนั้นท่านจึงสอนเรื่องการใช้ปัญญาที่มองทุกเรื่องเดี๋ยวก็มองอย่างเฉลียวฉลาดรอบรู้แยกแยกแะได้อย่างชัดเจน เขาเรียกว่านิเสยสัมปันโนมีคนส่งเสริมสนับสนุนในด้านการเงินทุนในด้านสติปัญญาในด้านการในที่ปรึกษาในด้านอัตรากำลัง อ, อะไรต่างๆเพื่อปฏิบัติภารกิจตรงนั้นสาเร็จร่วมไปได้ด้ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการผลิตแต่ว่าต้องมีความหมั่นขยันในการผลิตทรงใช้คำว่าเลียวอุทานในสมปรา สมบูรณ์ในความหมั่นขยันในการทำกิจการงานเหล่านั้นและก็ใช้ปัญญาประกบตลอดโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าขาดปัญญาในการมองปัญหาแล้วเนี่ยจะเกิดความวิปลาสคลาดเคล็ดบ่งกรเคยพูดคือให้สติผู้ใหญ่ในทางศาสนาบอกว่าจุดอ่อนของสังคมสมเราคือมีความสับสนในด้านการวิเคราะห์ธรรมะ จะตัณโมพระจะต้องไปถูปิตารับรู้อะไรไม่ได้เลยแล้วอธิบายวันนั้นคือการสํารุมระวังอินทรีย์เรียกว่าอินทรีย์สังวรโดยลืมอินทรีย์สังวรนั้นทรงสอนให้งองในแง่ที่มันจะเกิดกิเลสไม่ใช่ห้ามมองนะฮะแต่มองแล้วระมัดระวังจิต ม, มีสติสัมปชัญญะและลึกรู้ต่ออารมณ์เหล่านั้น ยายใจมันเกิดกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มรุงเกิดความบมวมเมาเพราะอะไเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายที่จะนำพาคนให้บรรลุมรรคผลเป็นต้นไปเนี่ยนันก็สิ่งที่ผ่านมาทำประสาสัมผัสเหมือนกันแต่เราเพิ่มปริมาณปัญญาลงไปเพิ่มปริมาณสติลงไปเพิ่มปริมาณของความเพียรลงไปแล้วก็มองมองแล้วก็คิดคิดแล้วก็มอง วิเคราะห์วิจัยตรวจสอบลึกซึ้งลงไปโดยลำดับมองแล้วมันเกิดคลายความกัหนักคลายความขัดเคืองคลายความร่มหลงคลายความบอบเหมาก็เป็นธรรมะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมูลยุคสมนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารปัญหาการต่อสู้การาแพ้ชนะหรือแพ้ในอยู่ที่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องตรงน้น เราจะอ่อนในปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารและส่วนมากถ้าข้อมูลข่าวสารไม่ดีก็ปฏิเสธไว้ก่อนถ้าข้อมูลข่าวสารดีก็ไปรับรองไว้ก่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ชัดใจจัดเจนในที่ไปที่มาทำให้เราปฏิเสธคนอื่นได้ง่ายในกรณีที่คนพูดไม่ใช่พวกของเราและข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นโทษเรา เราจะรับรองคนอื่นได้ง่ายถ้าคนพูดนั้นเป็นพวกของเราหรือข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์รเราตกลงว่าไม่พยายามแสวงหาความจริงที่เราเรียกว่าถูกต้องแต่จะมองไปที่สิ่งซึ่งให้ความตกใจแก่ตัวเองนั่นคือปัญหาที่มันทับทวีมากริงขึ้นเพเป็นจุดอ่อนแอในทั้งคมแล้วก็ยกตัวอย่างให้ทางฟังว่า ประพุทธกิจท่าประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในข้อสุดท้ายที่ต้นใช้คำว่าปัจุเสวะกาเตกาเลปะปะปะเปวิโล ก, กะดังตอนใกล้รุ่งก็ได้จวจดูสัตว์ต่อโลกทจะส่งรอบรู้เป็นลักระเรียกว่าเนื้อเรดาร์ทั้งหลายเนี่ย น, นะรู้ปัญหาต่างๆหมดลวลจะเสด็จไปโปรดเสด็จไปแก้ไข ให้สติตักเตือนก็นแล้วแต่ตามต้องคนแก่กรงนี้ไอ้ตรงนี้ที่จริงพระภาษาทหารก็คือการข่าที่ส่งประสิทธิภาพมากระนั้นทำให้การทํางานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองนึกดูนะฮะศาสนาหนุ่มองหนึ่งศา ส, สราได้ท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่บ้านเมือนนงตัวเองและใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนหลังจากการศัสรู้ก็สามารถที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนา ให้ดำํำรงอยู่อย่างมั่นคงได้โดยลําพังพรหมเองรูปเดียวนะฮะองเดียวแล้วนั่นเองนั่นคือคือบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการทํางานที่ยิ่งใหญ่แบบหลักการตรงนี้จึงเป็นหลักการที่สืบต่อกันไปได้ตลอดแในประการต่อไปเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาแล้ว ส่งเสอนในการการบริหารการจัดการคือมีการแบ่งทรัพย์ประเภทของทรัพย์ออกไปแต่ในขณะเดีวยวกันต้องทําใจให้พอใจยินดีตามที่ได้มามากหรือน้อยก็ยินดีเท่านั้นมันเหมือนกับพระบิณฑบาตเนี่ยได้มากก็ไม่ต้องว่าไรได้น้อยก็ไม่ต้องเสียใจได้มากก็ไม่ต้องดีใจเพราะยังไงยังไงเราก็กินไม่หมดเดือนละได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้คือประทังชีวิตเอาไว้ได้ ก็แสดงว่าทำใจให้สงบได้ทั้งได้น้อยและได้มากหรือแม้แต่บางครั้งก็ไม่ได้แต่รักษาคุณภาพจิตใจของตัวเองเอาไว้พลาัหลั ก, การตรงนี้จึงเป็นหลักการที่เอาไปใช้ในกรณีอื่นๆได้ทั้งหมดแต่ว่าตามปกติแล้วคนเราจะใช้โลภลงนี่นหน้าไปมันก็มึงแต่ได้ทายเดียว โดยไม่เผื่อความเสี่ยงหรือเผื่อไม่ได้เอาไว้ตอนพอไม่ได้ก็เกิดโมหโหถึงเฉียวทุกโธ ม, มานักคับแค้นโกรธเคืองขัดเคืองด้วยประการต่างๆาที่ก็ซ้ําเ ต, ตัวเองแต่ตรง น, นี้แหละถ้าหากว่ามีปัญญาเข้ากำกับในกระบวนการของความคิดเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราตั้งความปรารถนาะตีต่างว่าทุกคนตั้งความปรารถนาอะไรแล้วสำเร็จหมดโลกอยู่ไม่ได้แล้วนะ เพราะความอยากของมนุษย์นี่มันไม่มีบรรยับญญปบรรยังเลยเคยตั้งข้อสังเกตว่าสมมติว่ามนุษย์ตั้งความปรารถนาให้เงินทองไหลามาเทมาอย่างที่เราสอบให้ชีวิได้พรกันคือเลยไม่ได้คิดว่าเงินทองที่จะไหลามาเทมานั้นมาจากไหนเป็นเงินทองของใครแล้วไหลมาเทมาได้ยังไงคือไม่ได้คิดว่าคนที่รับผ่อนก็ชอบที่จะฟังพรออย่างนั้น คนที่ให้ผลก็ชอบที่จะให้อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันเป็นการโกหกเวลาเราทํางานเราจึงมองไปที่เราจะได้เนี่ยโดยไม่ไเลยเผื่อใจเอาไว้ ท, ท, ทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงว่าทุกครั้งที่เราทํางานอะไรเพื่อผลยอย่างใดอย่างหนึง่งมันก็มีทางได้ตามที่เราต้องการหรือว่าได้สักคริมสกึร์หนึ่งหรือว่าได้เกินที่เราต้องการหรือ ไม่ได้มันก็ออกมาสี่ประตูประตูใดประตูหนึ่งไม่ได้ออกมาประตูตามที่เราต้องการสเสมอไปพอต่อออกมาจริงนะะเราก็ยุ่งและ้ะสมมุติว่าเนี่งินเราทองให้หลังไหลมาจากอากาศแต่สมมุติไว้อย่างนั้นนนะแล้วในที่สุดคนก็จะสนุกกับการสะสมเงินทอง จะแข่งกองใหญ่กองสูงใครสูงมากกว่ากันใครใหญ่มากกว่ากันจานวนใครมากกว่าการเป็นต้นแล้วก็ยุ่งตายนะในสุวแทนที่จะได้บริดพวกชับสอยชยยับสอยทราบสมบัติแถวนั้นก็ตกเงินทองทับตายหมดเลยแล้วก็มันดีเกินไปนะสมมติเราไม่ถึงก็ทับตายแหละแต่เราไม่กลัวมนุษย์เนี่ยใชย้เวลาทำอะไรไม่ต้องทำอะไรมนที่ฐานเรา ฐานนอมแล้วก็ลอยลงมามันก็ไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วนะอาจจะเป็นโลกของเทวดาเทวดาคงไม่จะโดดสบายอย่างนั้นเพราะหลักการในการคิดในการบริหารเนี่ยท่านยังสอนให้พยายามทำใจในตัวเองเป็นเรื่องใหญ่คือให้รู้สึกพอใจพอดีพอประมาณพอควร แล้วก็จัดแบ่งสองส่วนไปดำเนินกิจการงานต่อไปอีกหนึ่งส่วนใช้บริโภคใช้สอยไปในครอบครัวอีกหนึ่งส่วนใช้เก็บออมเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่หน้าที่การงานต่างๆมันต้องมีเงินยอดหนึ่งสำหรับแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าทุ่มกันไปสุดตัวแนที่สุดพอแก้ปัญหาขึ้นมาก็ลาลาลังก็วุ่นวายกัน ตัวนี้ผสังเกตว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการผลิตและการบริโภคแต่ในขณะเดียวกันก็สมน้นเรื่องการใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายของคนไทยเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นฐานที่เราพูดว่ารายได้ต่ําแต่รสนิยมสูงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ห้ามไม่อยู่แล้วเอามาเองอย่างค่อนที่เป็นห่วเด็กนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเพราะรสสัญญมเธอสูงเหลืเกิ ต้องกินอาหารตามพัดตะการตามสถานที่แผงๆงรูหราจะซื้อของเล็กๆ น, น, น้อยๆก็ขึ้นหั่งสรรพสินค้าแล้วบอขึ้นไปถึงเมื่อก็สิ่งของเหล่านั้นก็ยั่วให้ใจบันดาลกออยากก็ดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในที่สุดมันก็กลายเป็นวงจรที่หาจุดลงตัวไม่ได้ ตามใจปากลำบากชีวิตของเราเองท่านยังสอนแนวที่เรียกว่าสมชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลับบงทรัพย์ที่ตัวหนาได้มาแล้วในการตลาดเราเชื่ว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์สองกลุ่มจะต้องประสานใจกันได้ว่าถือว่าเราเป็นญาติพี่น้องเรื่องเองอาศัยกันควาย ผู้ขายก็ต้องไม่หวังกับไร ม, มากเกินไปไว้ผู้ซื้อก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อของให้มันถูกมากเกินไปเตะตั้งฝ่ายตั้งอยู่ได้แล้วก็เป็นที่พอใจซึ่งกันและกันฝายแรงงานเองก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละที่จริงมันก็คือธุรกิจการซื้อขายเหมือนกันเพียงแต่ว่าซื้อความรู้ความสามารถซื้อฝีมือของเขาซื้อความสุซื้อสัตว์ซื้อสัตว์สุดจิตของเขาแล้วเขาก็ขายเราก็ให้ ราคาเขาตามสมควรแก่ค่าความรู้ความคิดความสามารถฝีมือความซื้อสัตว์จิตจิตการทุ่มเทในการทํางานของเขาเหล่านั้นมันก็อยู่กันในรูปของการสร้างสารรค์ด้วยรูปของการเป็นมิตรสนิทสนมกันเพราะหละการตรงนี้รู้เจ้าทรงชี้ทางบรรดาทุกชี้สุกเกษมสานเอาไว้ในระดับต่างๆแล้วจนชี้ผลสูงสุดคือชี้ทางพระนรุพาน อันพ้นสโสวิโยคภัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่พระพุทธเจ้าก็ทาในฐานะเป็นผู้ชี้บอกผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่ผู้ศึกษาจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองตามหลักที่ทรงแสดงไว้ผู้จะทรงแสดงเหตุแต่ว่าผลนั้นสมรับรองเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนได้ถึกษาเหตุแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามเอ แล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นตาม ส, คสมควรแก่เหตุเสมอไปทกท่านั้งหลายแต่รมพโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบุรในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี